เรื่องนำแก้วมณีผ่านด่านภาษีสามเรื่อง151สมัยนั้นบุุษคนหนึ่งนำแก้วมณีราคาแพงเดินทางไกลไปกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นเห็นด่านภาษีจึงใส่แก้วมณีลงในย่ามของภิกษุนั้นผู้ไม่รู้เมื่อเดินพ้นด่านภาษีจึงถือไปแต่ผู้เดียวภิกษุนั้นเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิกหรือหนอ จึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุเธอคิดอย่างไรข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้พระพุทธเจ้าข้าภิกษุเธอไม่รู้ไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่89สมัยนั้นบุรุษคนหนึ่งนำแก้วมณีราคาแพงเดินทางไกลไปกับภิกษุรูปหนึ่งครั้นเห็นด่านภาษี ทำลวงว่าเป็นไข้แล้วมอบห่อของของตนให้ภิกษุถือไปเมื่อเดินพ้นด่านภาษีไปจึงกล่าวกับภิกษุนั้นว่าท่านครับกรณาส่งห่อของให้ผมเถิดผมไม่ได้เป็นไข้โยมท่านได้ทำอย่างนี้เพื่ออะไรปรุษนั้นจึงบอกความนั้นให้ภิกษุนั้นทราบท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัดปาราชิกหรือหนอ